วันนี้เป็นวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องค์หลวงตาของพวกเราองลงตาพวกเราที่เรารักเคารพนับถือท่านในละสังขารของท่านเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554เวลาตี3 53นาที นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา27วันแล้วก็งานของพวกเราเมนที่พวกเราที่เตรียมหรือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่ว่าหนักหรือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่พวกเราได้เตรียมก็ดูดูแล้วก็ประมาณ 90% บริเวณรอ้รอบๆก็เทได้ที่อัดยาง พี่น้องประชาชนามาบรรจุเป็นหมื่นเหมือนกันบริเวณบริเวณเมนทีอ่อัดอยางาถนนลาดยางแต่ตัวเมนจริงๆก็ยังเหลือแต่กำแพงเตเ็นเหลตล้อมรอบ เ, อเพื่อไม่ให้คนเข้ากัา้มกลก็คงคิดว่าไม่นานคิดว่าจะเสร็จได้แต่ว่างาน ของเราเรื่องเกี่ยวกับเมนเกี่ยวกับความเพาะความพร้อมรู้สึกว่าไปได้ดีไม่มีปัญหาแล้วก็ที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่จะมาในงานในวันนั้นก็ได้พูดกันว่าเป็นเป็นล้านพระสงฆ์เป็นหมื่นจุดนี้ท่านรองผู้บัญชาการภาคสี่ท่านก็มาพูดกับ ให้กับคณะสงฆ์กับหลวงพ่อว่าท่านจะเตรียมเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกหน่วยเราในเขตพื้นที่ระดมเข้ามาช่วยหลวงพ่อได้ยินก็ปลื้มใจว่าทุกหน่วยทุกหน่ว ย, ท, วยทุกหมู่ทุกเราจะมาช่วยกันให้งานองค์หลุงตาของพวกเราสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีถ้าว่าพวกเราทุกคนสิทธิอนุสิทธิหรือพี่น้องประชาชนมีพลังเนี่ยมีพลัง ที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือถึงจะงานหนักก็เป็นเบาได้แต่ถ้าว่าพวกเราต่างคนก็ต่างโยนให้คนนั้นโยนให้คนนี้หน้าที่ไม่ใช่ค่าค่ามันใช่หน้าที่โยนให้กันถึงจะงานเบาก็งัด ก, ก็กลายเป็นงานหนักเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนที่รักเคารพในองค์หลวงตาเห็นคุณเห็นพระคุณในองค์หลวงตาเป็นภู้ มีเมตตาต่อพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกพูดแล้วพูดอีกว่าหลวงตามีแต่ให้พวกเราอย่างน้อยกับพวกเราได้เข้าโรงพยาบาลอย่างน้อยกับพี่น้องของเราได้เข้าโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นเป็นของใครเป็นของหลวงตาที่ช่วยเหลือพี่น้องพ่อแม่วงศ์สากนาญาตของเราถือว่าหลวงตาเป็นผู้มีอุปก ร, รณ์มีพระคุณอย่างยิ่ง เป็นผู้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราถึงคราวนี้พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาโตองค์หลวงตาอย่ามาผู้ใดก็ตามต้องมาเสียสละในงานองคหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้พาเสียสละเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะ้อมีมาร่วมในงานขององค์หลวงตาและก็ผู้มาทอดผ้าบังสกุลเมื่อคืนนี้มีทั้ง70ิ เจ็ดสิบแปดคณะนะรู้สึกวางมากาาทุกหมู่ทุกเหลา่ากับท่านาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกับคณะก็ม า, าแล้วก็หลายกลุ่มหลวงพ่อไม่สามารถที่จะบรรยายได้สรุปแล้วก็คือมากทีม า, อาทอดปลาปลาสแสดงความเคารพในองค์หลวงตาแล้วก็วันนี้ประมาณสักบ่ายสามสี่โมงเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ์คือ เจ้าคุณสมเด็จมีหลายพระองค์นะสมเด็จฝ่ายพระสงฆ์จะได้มาร่วมกันทอดผ้าบางสกุลขอถ้าหัว่าเป็นไปได้ก็ตอนบ่ายๆนะขอเชิญพี่น้องลูกหลานผู้ใดว่างมาร่วมสมทบที่เจ้าพุณสมเด็จท่านจะมาทอดผ้าบางสกุลในเย็นวันนี้ท่านเป็นคณะใหญ่คือคณะธรรมยุทธ รวบรวมเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจะมาร่วมกันทอดถวายผ้าบางะกุลองหลวงตาของเราในบ่ายวันที่25วันนี้แล้วก็พร้อมกันคณะสงฆ์ที่เป็นศิษยานุศิธย์ขององค์หลวงตาทุกระดับหลวงพ่อและคณะสงฆ์ได้ไประชุมหารือกันว่าหลวงตาท่านมีพิเนก ร, รมที่จะช่วยชาติ ช่วยชื้อทองคำเข้าคลังหลวงเพราะนั้นพวกคณะสิทธิาณุสิทธิทั้งน้อยทั้งใหญ่ตลอดถึงคณะสัายาติโยมก็คณะสงฆ์ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าพวกเราทุกหมู่เราควรจะร่วมกันทอดผ้าทอดผ้าทองคำตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาเพื่อเข้าคลังหลวงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะนั้นหลวงพ่อจึงของ กรารราตนานิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกระดับที่เป็นเจ้าวาดขอขอให้มาร่วมกันวันที่สนะวันที่สมบ่ายโมงวันที่สี่เป็นวันเคลื่อนศรีระขององค์หลวงตาวันที่สเนี่ยขอนัดพระสงฆ์ทุกระดับที่เป็นลูกศิษยานุศิษย์หรือพุทธบริษัทที่รักคารบในองค์หลวงตามาทอดผ้าป่าเพื่อทองคํา เข้าคลังหลวงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทองของเรานะท่านอาจารย์นพดลท่านบอกว่ายังขาดอยู่ถ้าจะให้ครบสิบสองตันครึ่งเนี่ยหรือสิบสามตันครึ่งสิบสามตันครึ่งมากเนะี่แต่หลวงพ่อเนะี่ยอยากได้สิบสามสิบสามตันครึ่งละ่ะถ้าได้สิบสี่ก็ยิ่งดีเพราะมันเป็นคู่กันใชอเอห <laughs> แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เอาสุดความสามารถของพว ก, พวกเราเนี่ยแหละแต่ถึงยังไงก็ขอฝากกั บ, บครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ที่เป็นศิษยานุศิษฐ์มาร่วมกันทอดผ้าป่าทองคำตามพินัยกรรมขององค์ลงตาวันที่สามเวลาบ่ายโมงขอกราบระรันานิโมนเนอร์และก็พร้อมกันการบวชพระที่จะบวชเมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้ถาม ว่าพระทั้งหมดมีเท่าไหร่ที่จะบวชบอกว่ามี200 222นาคและจะบวช5วัดคือคือบวช5วัดก็คือแบ่งหารกันเัมนกันหาร5 222ในหาร5แล้วจะไปบวชวัดโพธิสมพรแห่งหนึ่งแล้วกะกกสะทอนแห่งหนึ่งแล้วก็บ้านถ้าเตา่าถ้ำเตา่าวัดหลวงพ่อบุญมีถ้ำเตา่า กลุ่มแล้วก็บ้านนายแองกลุ่มหนึ่งแล้วก็วัดสุดทธาวาสอีกกลุ่มหนึ่งรวมแล้วก็ห้ากลุ่มเพราะ น, นั้นคณะาัตาติโยมที่รักเคารพในที่ไหนก็จะไปร่วมบวชพระในวัดนั้นก็ได้นะวันแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สามสามวันน่แหละแต่ไม่รู้จักท่านจะนัดวันไหนแต่ละวัดนะก็สุดแท้แต่ท่านให้สืบสอบดูก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือที่พระที่จะบวช บวชอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยนะหลวงปู่ลีของเราเนี่ยท่านบวชในงานหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นร่มโพ ร, ร่มไทยเป็นพี่เนี่ที่รักเคารพของพี่น้องประชาชนมาถึงทุกวันนี้เพราะท่านได้บวชในงานหลวงปู่มั่นเพราะนั้นพวกเราที่จัดงานขึ้นมาเนี่ยก็ถึงจะยากลําบากรู้ว่ายากลําบากเนีเพราะจะจัดงานบวชเนี่ยไม่ใช่ของใดง่ายๆต้องเตรียมอะไรหลายอย่างต้องบริขารด้วยเตรียมคนด้วยตรวจตรวจตราดูคนด้วยเตรียม เรียมขานหนักด้วยมันเยอะเรื่องยุ่งยากแต่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจะเป็นทายาทของพวกเราถึงจะยากลําบากกับพวกเราประเด็กช่วยๆกันจัดงานบวชขึ้นมาเพื่อเป็นทายาทของของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลงตาของพวกเราถ้าองค์ไหนมีอุปนิสัยบวชในงานของลงตาแล้วก็อยู่ตลอดไปจากนั้นก็ภาวนาอย่างหลวงปู่ลีของเราเนี่ย ก็เป็นที่รักเคารพของพี่ๆน้องๆต่อไปในอนาคตและกการเคลื่อนศรีระขององค์หลวงตาก็ไม่มีการคงย่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงฉันจังหารเสร็จแล้ววันที่สี่ฉันจังหารเสร็จแล้วก็วันที่4ี่ก็คงจะทําพิธีกราบคารวะองค์หลวงตาจากนั้นก็คงจะได้เคลื่อนศรีระขององค์หลวงตาไปสู่เมนจากนั้นก็ตั้งแต่คืนวันที่4พวกเรากคงจะได้ไปทํา พิธีหรือไหว้พระหรือทำพิธีกรรมอยู่ศาลาใหญนะ่วันลุ่งขึ้นวันที่ห้าล้วกงคงจะเตรียมพร้อมคงจะเป็นงานที่ศุกรหหกพอสมควรวันที่ห้านะแต่ถึงยังไงทุกคนทำเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาถึงจะหนักก็เป็นเบาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะถางว่าพวกเราไม่มีศรัทธาแล้วก็อะไรก็หนักไปหมดนั่นแหละแต่ถาาว่าพวกเราเชื่อรักเคารพในองค์หลวงตาทุ่มเท ทุ่มเทจิตใจเพื่อองค์หลวงตาแล้วถึงจะหนักก็เป็นเบานะขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า ท, ท, ทุกทุกท่านที่ไม่ได้มาสู่วัดหรือว่านั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือได้ฟังวิทยุขอขอให้รับลึกถึงองค์หลวงตาเอ า, เอาใจมาช่วยเอาใจมาช่วยกาลังกายกําลังใจมาช่วยองค์หลวงตาให้งานของหลวงตาสําเร็จทุก่วงไปด้วยดี ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุไม่ได้มากก็ถึงวันที่สี่ที่ห้าจะประชุมเพลิงก็ให้ภาวนาทั้งวันในวันนั้นพุทโธพุทโธพุทโธในใจทั้งวันอันนั้นคือการบูชาองค์หลวงตาเป็นยวดยิ่งเผยเผยยังดีกว่าผู้มาอีกต่างหากถ้าผู้มาแล้วโตโตเต๋เตทะเลาะคนนั้นทะเลาะคนนี้เก้เก๊กังๆังสู้ผู้อยู่บ้านไม่ได้นะผู้อยู่บ้านภาวนาพุทโธพุทโธบูชาพระคุณหลวงตา ดวงตาต้องต้องการอย่างนั้น่ะต้องการความสงบต้องการให้ภาวนาจิตใจสงบนั่นแหละดีเลิศประเสริฐขอฝากไว้กับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกมูทุกเหล่าน้าตอนนี้ไปรับพร